ตอนชาญยานอันเกิดขึ้นจากการเอาความมีตัวตนเข้าไปทำตอนที่สองทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องกรรมฐานในสมัยที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่เลยพวกที่สแสวงหาทางหลุดพ้นทั้งหลาย ก็ไปฝึกปฏิบัติกรมมฐานกันเลยกลายเป็นฤาษีกันพวกฤาษีขอฝึกกสินฝึกฤทธิ์ฝึกตะบางชาติญาณกันที่นี้จะฝึกกสินฝึกฤทธิ์ฝึกตะบงังชาติญาณให้ได้ต้องฝึกสมาบัติแปดให้ได้ก่อนเพื่อเอามาเป็นฐาน ในการฝึกกรสินอีกทีที่นี้พอฝึกสมาบัติแบกได้หรือสีส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดว่าฌานสมาบัติแบกที่เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายะตณะนั้นคือนิพพานเช่นถ้าได้ฌานสีก็จะรู้สึกว่าว่างเหมือนกับอากาศที่อยู่รอบรอบตัว แต่ฌานแปดนี้จะว่าเหมือนอวกาเวงว้างออกไปเลยแล้วตัวตนหรือตัวมันเองก็ถูกกดทับจนผู้ปฏิบัติเองไม่อาจจะเฉลียวใจรู้ได้เองว่ามันมีตัวตนน้อยๆซ่อนอยู่มันคือตัวรู้มันคือตัวมีตัวเองในรู้อันละเอียดลึกซึ้งเวรงว้างออกไป ดังเช่นในอวกาศนั้นอยู่ความว่างอันแท้จริงนั้นคือว่างจากตัวตนว่างจากการจดจอ่อจนกลายเป็นจิตชนิดนี้จิตชนิดนั้นคือไม่เอาเลยทิ้งเลยแม้กระทั่งความเป็นจิตแต่ในกรรมฐานนี้ยังมีการเข้าไปจดจอ่อ จนกลายเป็นจิตยู่จนเกิดเป็นสภาวะอยู่ภายในรูปประชานก็ยังคงรูปสภาวะเอาไว้อรูปประชานก็ยังคงอรูปสภาวะเอาไว้แต่นิพพานนี้ไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งลักษณะไม่ใช่ทั้งสภาวะไม่จัดว่าเป็นอะไรได้ที่นี้ เหล่ารือีเขาไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรเขาเลยเข้าใจว่าสภาวะที่มันว่าเหมือนอวกาศเวงว่างหายออกไปเลยนี้คือนิพพานจริงๆแล้วเนวสัญญานาสัญญายะตนะถ้าใครได้ลองทําถึงมันยังคงเป็นสภาวะที่ว่า ยังสงสัยในตัวมันเองอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่มันยังคงเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบว่าอืมมันก็ใช่นิพานเพราะมันว่างแต่มันก็ยังเหมือนกับว่ามันอีกนิดหนึ่งนะแต่พอทิ้งความรู้สึกว่าอีกนิดหนึ่งแล้วไปจับกับความว่ารุงแต่งที่คิดว่าคือนิพาน มันก็ยังคงอืมมันก็ว่างเหมือนเดิมนะเนี่ยแต่พอเผลอแล้วความรู้สึกนั้นดับไปเองมันก็ยังหลงเข้าไปค้นหาอีกว่ามันอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งแต่อีกนิดหนึ่งนั้นมันก็หาไม่เจอสักทีเป็นอยู่แบบนี้ตลอดมันก็เลยคาราคาซั์คอยจับความว่าง กำกึ่งอยู่อย่างนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขายังมีตัวตนน้อยๆอันละเอียดละออซ่อนอยู่ในสภาวะรู้นั้นทรงตัวมันเองในรู้ไว้ตลอดจริงๆแล้วตัดตัวรู้ทีเดียวทิ้งธาตุรู้ทีเดีย ว, รยวอรูปประชานหรือฌานสมาบัตตานี้ดับธาตุรู้ทีเดียวจบเลย นิพพานเลยแต่ฤาษีเองไม่มีทางจะได้รู้ต้องอาศัยมหาบารมีระดับพระพุทธะจึงจะชี้ให้เห็นได้เพราะในขณะนั้นตัวมันเองนั้นจมดรอปลึกเลยตั้งแต่ชานห้าหกเจ็ดนี้มันเริ่มจมดรอแล้วครับ มันเริ่มตกผลึกแล้วครับคำบริกรรมไม่มีแล้วการกำหนดจุดหายไปแล้วตกผลึกถูกแช่แข็งไปเรื่อยๆแช่แข็งไปเรื่อยๆพอแช่แข็งไปเรื่อยๆก็เหมือนคนเป็นอัมพาตมีแขนก็เหมือนว่าไม่มีแขนมีตัวรู้ก็เหมือนไม่มีตัวรู้ อยู่แบบนี้ตลอดเลยครับก็เลยมีเทพเทวาอยู่ในชั้นรูปประพงและอรูปประพงเยอะผู้ฝึกรูปประชานพอตายแล้วก็ไปติดอยู่ชั้นรูปประพร์ผู้ฝึกอรูปประชานพอตายแล้วก็ไปติดอยู่ชั้นอรูปประพงศค้าอยู่แบบนั้น ออกไม่เป็นไปไม่ได้จบไม่เป็นบางองค์บางท่านก็ใช้เวลาเป็นพุทธันดรบางทีข้าพุทธันดรเลยก็มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพานไปแล้วหลายองค์ตัวเองก็ยังออกไม่ได้นิพานไม่เป็นก็เลยทุกแบบผม ที่ต้องใช้เวลาเนิ่นนากว่าจะหมดอายุประกรมครับ